บุ <Book> <99. S 3> ๊กทูเก้าสิบเก้าตมพ่ตมมิดิคำแสดงความเป็นเจ้าของเซสตีวิบักติแมวของแฟนดีฉันนาสนนฮิตราลิปิลีสุนัขของแฟนดิฉัน น้าสเนียตุนีคุกก้าของเล่นของลูกดิฉันน้าปิลลละบอมมาลุกนี่คือเสือ้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอีดีน้าสะฮุดยกยอกกะโคตุนั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอีดีนาสหฮุดยกยอกกะคารุ นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอีดีน่าสะฮดเยอะๆกระปุ่นกระดุมของเสื้อหายไปจ็อกก้นุ่นดีกุญแจวีดีพอยินดีกุญแจโรงรถหายไปแกเรจีตาลันเชวีพอยินดีคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย ย่าจ aman ยุคกับคอมพิวเตอร์ปนิชนเใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงเออไ ม, ม่แต่เลดันโรเลีลยบ า, ารุดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรนี่อามาลที่เบบ้านอยู่ตรงสุดถนน อ, า, ลลอรารด เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรสวิตเซอร์แลนด์ราชดานีนัร เ, รเปเรมตหนังสือชื่ออะไรหนัสือค้นเสิกเเัเปเรมตีลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรบริกรที่วาลเพลเพเี่เล็กเปเรมตีโรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงดเสัมประชุะสมัยมียมรเวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรมิเวเซียมยันนี่กันตะล็กุเตร์สตารู